มงคลชีวิตมงคลที่24ความสันโดษสันตุถีจะเอตามังคลรมุตตมังความสันโดษชื่อว่าสันตุถี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 ยถาสารุ ป, ปรสันโดษคือยินดีตามที่เหมาะกับสถานะและจุดหมายของการบำเพ็ญกิจของตนเช่นได้ปัจจัยสีที่มีค่ามากเห็นว่าเป็นสิ่งสมควรกับผู้ทรงคุณมากกว่าก็มอบให้ท่านไปเป็นต้นผู้สันโดษได้สามลักษณะนี้เป็นผู้ควรยกย่องพึงมุ่ง้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 จะไม่ให้ประพฤติในสันโดษโดยอาจแสดงออกในรูปของความเกียดคร้านติดอยู่กับสุขเวทนาที่กำลังเสพอยู่ไม่อยากพรากจึงไม่ยอมแบ่งปันแก่ใครๆเป็นต้นความสันโดษจัดเป็นมงคลเพราะ 1. ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ